hmm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 ไม่สนใจก็แทงแล้วแทงอีกก็เรียกว่าประมาณ20แผ่ได้ที่มันน่าสนใจคือว่าคนก็เยอะนะแต่ว่าผู้ชายนี่ก็ไม่สนใจปกติคนราเวลาทำชั่วนี่ก็มักจะแอบทำไม่อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นแต่นี่กรุงเดลีคนก็เยอะนะพวกเราไปเเดียคงจะรู้นะมันไม่มีที่ไหนที่แทบจะว่างผู้คน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 เปอร์เซนที่คนในห้องนั้นจะมาช่วยคนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยจะลดเหลือแค่ส0มิเอร์เซนมันลดทัวบเลยนะจากแ0ดกว่าเปอร์เซนนเหลือแค่สาสิเปอร์ซนสมมติว่าห้องอีกห้องนึงเนี่ยนะมันมีควันนะเขาสุมไฟขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ห้องข้างเคียงเนี่เห็นถ้าคนที่ห้องข้างเคียงเนี่ยมีคนเดียวโอกาสที่เขาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในตึกเนี่ยว่ามีไฟไหม้เนี่ย 70% แต่ถ้าเกิดห้องนั้นเนี่ยมีหลายคนนะมันจะเหลือแค่ 30% ทำไมนะคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นคนที่มีการศึกษาอาจจะเป็นคนที่ใฝ่ธรรมใฝ่บุญกุศลได้ซ้าอาจจะเป็นคนชอบทําบุญด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ใจไม่ใส่หละกธรรมหรือว่าเป็นพวกเก๊กไม่ไเหลกเกลเอแต่ทำไมพฤติกรรมจึงเปลี่ยน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 ผู้คนจำนวนเยอะแยะนะเห็นคนกำลังถูกแกล้งถูกลังแกถูกแทงถูกรวนลามหรือว่าไม่มีใครรวนลามก็ได้แค่เป็นลมนะเป็นลมอยู่ริมถนนก็จะเห็นคนผ่านไปผ่านมาน้อยคนที่จะเข้าไปช่วยเพราะทุกคนคิดเหมือนกันว่าถึงเราไม่ทำคนหนึ่งก็ทำ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 ก่อนไม่รู้อีท่าไหนนะคงจะถูกผู้หญิงปฏิเสธแล้วก็เลยโกรธแค้นเอามีดมาแทงตามข่าวก็ว่าผู้ชายนี่เคยไปล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงที่เป็นน้องสาวมาันแล้วเราดูเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็คงจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ใจร้ายมันเร็วมากนะแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าเราเราท่านๆ่านเนี่ยก็สามารถจะเป็นอย่างคนคนนั้นได้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 นะพวกเราทั้งหลายในที่นี้นะคนมีการศึกษาเป็นคนที่ไยดีแต่ทาไมเนะี่ยถึงกลายเป็นฆาตกรนะนะก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะความโกรธนะส่วนใหญ่เพราะความโกรธความโกรธความแค้นนะไอ้ที่แ้ว ม, มันเป็นเรื่องของราคาที่ทำให้มาผูกพันเจอกันนะแต่ว่าพอชะตาชีวิตพลิกผันก็กลายเป็นความโกรธนะโกรธแค้นก็เลยลงมือฆ่านะ ไอ้ข่าเนี่ยตอนที่ข้านี่ก็อา จ, จะไม่ได้วางแผนอะไรมากนะแต่ว่ามันลืมตัวนะความโกรธเนี่ยมันสามารถทำให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้นะจากคนธรรมดาธรรมะธรรมโมนะกลายเป็นคนกลายเป็นฆาตรกรนะเคยเล่าไปแล้วนะนะคนที่ธรรมะธรรมโมนะแต่ว่าฆ่าลูกของตัวเองลูกผู้หญิงบ้างลูกผู้ชายบ้างมีหลายคนมีหลายกรณี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 รถ ล, ลืมบ้านลืมโทรศัพท์นะลืมแววนลืมสร้อยคอลืมพระเครื่ออพวกนี้เนี่ยหลายคนกลัวมากเลยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวเพราะลืมตัวนี่มันสามารถทำให้คนอย่างเราทุกๆุกค น, นกลายเป็นฆาตกรได้แล้วฆ่าใครไม่ใช่ฆ่าคนที่ไกลตัวเยคนรักทั้งนั้นแหละหรือคนที่เคยรักบางทีก็เป็นสามีบางทีก็เป็นภรรยาด้วยซ้าเรามาคิดว่าไอ้ลืมตัวนะ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 ผู้ชายก็เลี้ยงลูกอยู่สักพักก็รู้สึกมันลาบากนะก็คิดถึงเมียไปงอนง้อขอให้เมียกลับมาเมียก็ไม่ยอมต่อหลังเมียก็หายไปผู้ชายก็ตามจนกระทั่ ง, งพ่อเมียไปทํางานที่ร้านอาหารก็สาบไปขอร้องนะไปขอร้องให้กลับมานะเมียก็ไม่ยอมกลับนะผู้ชายอ้างลูกเมียก็ไม่สนใจ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 เหยียดยามพอเราพอมันสูว่าเป็นถูกเป็นฝ่ายถูกกระทำมันก็อยากจะกระทําบ้างอยากจะเป็นผู้ชนะนะเป็นผู้แพ้มาเยอะแล้วนะีกูจะเอาชนะมึงบ้างอันนี้วิสัยผู้ชายเนี่ยเอาชนะอะไรเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลก็ทําไม่เป็นมันก็มีเลยอย่อยางเดียวคือเอาชนะด้วยกําลังนะวิสัยผู้ชายจํานวนมากเป็นแบบนั้นนะเวลาเจอผู้หญิงเนี่ยสู้ด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกําลัง อยากเจอาชนะวิธีที่เอาชนะคือฆ่าเลยเอามีจ่วงแทงไอ้ความอยากชนะนี่คือเรื่องมารนาเนะมารนาเนี่ยมันเป็นกิเลสในใจที่ไม่ยอมที่จะถูกกระทําไม่ยอมที่จะที่จะเป็นฝา่ายพแพ้จะเรียกว่าเป็นปมเด่นของมนุษย์ทุกคนก็ได้มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีปมเด่นนะไม่ใช่ปมดอยนะปมเด่นก็คือว่ามันอยากจะเด่น อยากจะเป็นซัมบอดี้นี้ก็เป็นปมเด่นนะอยากจะให้คนชมนี่ก็เป็นมารนะอยากจะอวดว่ากูเก่งนี่ก็มานะแล้วก็อยากจะเอาชนะโดยเพราะคนที่ถูกก็ทําให้เป็นฝ่า ย, พายแพ้แพนะ้โดยเพราะกับผู้โดยเพราะโดยฝีมือผู้หญิงเนี่ยมันยิ่งไม่ยอมอย่าไอตัวมาร์นานี่มันน่า ก, กลัวมากมันทําให้ลืมตัวนะมันไม่ใช่ตัวโกรธอย่างเดียว น, นะโกรธนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พออยากจะเอาชนะแล้วมันก็เลยต้องใช้กําลังฆนะ่าผู้หญิงตาย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 พยายามหาช่องทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใหความลืมตัวมันเกิดขึ้นกับเราที่เมื่อกี้เราก็สวด น, นะอุทิศทำกรวดน้นตอนค่ำเนี่ยโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรจมนะหรือว่าขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะด้วยเดชบนทั้ง10ป้องนะ อย่าเปิดโอกาสแกมารเธินไอ้มารตัวที่สําคัญเน่ยคือความหลงนะไอ้ความลืมตัวเนี่ยเราต้องรักษาใจของเรานะอย่าไปเปิดช่องให้ความหลงความลืมตัวมันเข้ามาเพราะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยนะนทาให้เราเนี่ยนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยก็ได้ถ้ามันมากพอแล้วคนส่วนใหญ่ประมาทนะนนก็คิดว่าอ้ยฉันนี่ไม่เป็นอย่างพวกนั้นหรอก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 ก็ใช่ใช้ปืนเนะปิดชีวิตตัวเองก็เป็นความความลืมตัวอีกแบบหนึงนะ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พยายามรักษาใจให้มีความรู้สึกตัวไวนะ้ให้มองว่าไอ้ความหลงความลืมตัวนี่มันเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากนะเวลาบอกว่าขอหมู่มาันจะได้ช่องเนี่ยก็ขอให้รวมไปถึงไอ้ตัวความลืมตัวความหลงด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แบเรื่อยๆนะ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 เก่งดีนะที่แ ก, ม, กมีโอกาสแกนะเพราะว่าถ้าพูดถึงโทษจริงๆนี่ก็ป่านนี้ก็ก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าด้ยวยการให้อภัยโทษไปเรื่อยๆนะก็ทําให้มีโอกาสที่จะแก่ก็ทําให้ใจตระหนักโอ้ที่ผ่านมาเราเราประมาทไปนะีอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่พวกเราก็ได้ได้ตระหนักเอาไวนะ้แล้วก็จะได้เห็นว่าการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องสําคัญ เอาคนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับค่